ทุ่านทั้งฝ่ายเราวาสและฝ่ายมัจชิตท่านทั้งหลายได้แสดงจิตเป็นกุศลสร้างใจปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็ได้ผลมากดีกว่าเราไปรู้ธรรมะศึกษาธรรมะแต่ไม่มีธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะ ข้อไล่ความหมายมากไม่มีปร ะ, ยะโยชน์ในชีวิตของท่านผู้นั้นใครก็รู้ว่าทําดีอย่างไงทําชั่วยอย่างไง ร, รู้ตัวได้ทันทุกคนรู้ดีซะด้วยแต่ในรู้ในเชิงปฏิบัติการนั้นไม่ค่อยจะรู้กันก็ไม่ทราบรู้ไม่จริงรู้ไม่ซึ้งรู้ไม่เข้าใจ ส่วนมากคนเราทั่วไปไม่เข้าใจชีวิตตนเองไม่ควรมควรจะวางชีวิตอย่างไรควรจะวางแผนการอย่างไรในชีวิตเขาไม่รู้จุงนั้นเขารู้แต่ว่าทำดีก็ได้ดีอย่างนี้ทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างนั้นมันรู้ตัวใยการทุกคนแต่ความรู้จริงและรู้ซึ้ง รู้เข้าไปถึงจิตใจที่จะมีหลักการในเหตุผลจากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ควจะรู้กันถ้าท่านทั้งหลายไม่ลงมือปฏิบัติหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาว่าในจิตใจแล้วท่านก็กลายเป็นคนไร้ความหมายหรือเป็นคำภีรเปล่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงชัดเจนเป็นบุคคลเพิ่งมีความรู้คำภีร์เปล่า คำพีเปล่าเนี่คือรู้ในยนังสือรู้ตัวธรรมะดีหรือชั่วรู้หมดแต่เปล่าด้วยคำภีคำภีเปล่ากวามหมายความว่ามันเปล่าประโยชน์ในชีวิตของตนเองตนเองหาได้มีประโยชน์ในชีวิตใหม่อันนี้เป็นหลักปฏิบัติทั้งหนึ่งที่ท่านทั้งหลายมาเข้ากรรมฐ า, านกันมาขอสม า, า, มาทานจะกรรมฐาน ด้วยศรัทธาประสาทด้วยความเลื่อมใสใจจริงต่อพระรัตนตรยัยต่อคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมประสงค์ท่านจึงจะปฏิบัติได้ดีมากควนที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใสจะปฏิบัติตามเขาก็ไม่ได้เรื่องราวอะไรก็มากมายหลายประการจะพูดอะไรก็รู้หมดแต่รู้แบบนี้เน่ะมันไม่รู้จริงทั้งจิตใจ ไม่รู้ซึ่งทังจิตใจแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นเราพุทธเจ้าจะบังคับไว้ในหลักสูตรของประการขั้นชาตุรษต้องเรียนวิชาใส่ใจหาความรู้ติดตัวตนให้ได้ไปอันดับหนึ่งนม่ว่ามีความรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติความรู้นั่นให้มันซึ้งปฏิบัติทำตามคําสอนปฏิบัติตารรมวิชาการที่เราเรียนเล่าเรียนมา ถึงจะมีประโยชน์เราเรียนอะไรได้สึกอย่างหนึ่งแต่เอาไปเอาวิชาไปชิ้งไม่จะสร้างสารรไม่จะแต่งต่างฐานะองค์ตนแต่ประการใดก็ไรความหมายมีความรู้แต่ไม่สู้งานฐานะก็ไม่ดีแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่เประโยชน์ตัวที่ผลแต่ประการใดรู้ไม่ใช่ว่าใส่บาตหถามก็จริง แต่ที่จะรู้วิชาก็หายากมันก็จะสนใจเรียนศึกษาเราเรียนแต่ประการใดไปสนใจเรื่องอื่นกันหมดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนตามพังเคยตามโบราณสืบเนื่องมาเป็นแบบนี้เนี่ยรนะู้อะไรเท่ากับรู้อตัวรอดเป็นยอดดีไม่ได้คําว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดีคนนั้นต้องมีปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเอาตัวรอดได้แน่นอนทุกคน คนที่ลายเหตุผลไม่ได้ปฏิบัติทำตามคนคำสอนของรพระพุทธเจ้าจะตัวไม่หลอดแล้วก็จะไม่ปลอดภัย <c oughs> จะมีแต่เสียดจังไรตลอดเลยการ <c oughs> คนประเภทนี้น่ะคนที่ไล่ธรรมะขาดคุณธรรมขาดข้อคิดขาดสติปัญญาในจิตรับรองทำอะไรไม่ได้ถอนทำอะไรเนี่ยจะอิสาลึกฉสีอฉ า, าออกมาอย่างนั้น แล้วความคิดก็ไม่ดีความดำรีอะไรมาก็ไม่จะชอบไม่จะประกอบการในชังงคมเหล่านั้นแล้วทำอะไรก็เอาดีไม่ได้ด้วยเพราะอ้ายได้จึงทาดีไม่ได้เพราะไม่มีธรรมประจําใจไม่มีสติธรรมปัญญะแต่ประการใดจึงทําไม่ได้แล้วก็เอาดีก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ส้อนตัวเองก็ไม่ได้ ความรู้วิชาการนั้นก็ยังไงสามารถจะพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองสอนตัวเองได้ต้องอาศัยปฏิบัติการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นต้องมีหลักสามประการนั้นคือปฏิบัติที่ศีลชมาทิปัญญาใจขาสามง่ายที่สดุดแต่ทุกคนไม่ชอบปฏิบัติชอบดีชอบรวยชอบสวยชอบมีปัญญา อยากรวยไม่อยากจนแต่ทุกคนก็ไม่อยากจะทำอะไรเกิดขึ้นไม่มีการดำดริริเมอมใดขึ้นเราจะเป็นครวะจุครองเรียนหรือพลเรือหัดผู้ครองเรียนนะั้นมีหลักธรรมประจําจิตของตนเองแล้วจะรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรในครอบครัวของก่อนจะทําอะไรก็กล่าวหนะ้าเดี๋ยวซ้ายแลวขวาก็กล่าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานของเขา จะออกมาบอกให้เราชาัดเจนมากแต่เรามาทำงานกันเดี๋ยวนี้ทำงานตามอารมณ์ทำงานตามอัจฉริยะใส่ไม่ได้ทำงานด้วยหน้าที่ศีลรับัตดชอบโดยมีส ต, ติสัมปชัญญะอันส่วนลึกเราใช้ส่วนตื้ น, นกับชั่มากส่วนลึกเราไม่พอใจส่วนจิตใจในภายในเนี่ยขั้นสิความอดทนในขั้นสิ่ธรรมนี้ก็ไม่ค่อยจะมีกัน คนเราจึงเลี่ยงงานแก่งไม่อยากจะทํางานไม่อยากจะเอางานเอาควารไม่อยากจะสร้างผลงานให้กับชีวิตของเขาทานศีนภาวนาก็หมดไปการปฏิบัติก็ปฏิบัติที่ทานศีนภาวนาทานตัวนี้แปลว่าเฉยสละเวลาที่มีประโยชน์ของตนตัดพลีโ่อกังวลมาไม่ต้องไปห่วงยายเพราะว่าพวังหลังผวงหน้าแต่ประการใดติดถึงจะเป็นสมาธิ ในมัจจิตเป็นสมาธิในการปฏิบัตินี้นะ่ะมันก็เกิดผลนเรียกว่าศีละภาวนาต้องมีศีลมีสติแัมปัญญาศีลก็อยู่ครบตั้งสติไว้ครบคุณสมบัติของมนุษย์ก็ครบแล้วแถมมีภาวนาเพิ่มขึ้นอ่างใจที่จะศึกษาภาวนาศึกษ า, า, า, า, า, าชีวิชัยแจ่มใช้การใจสะอาดหมดจดทุปทานเดยความบริสุทธิ์ขึ้น ทำอะไรก็ดีตลอดต้นทนปลายไม่เป็นกระบอนก็แปลงกระซอนกระแสญจัดประการได้คนประเภทนี้ก็หาได้ทั่วไปไม่อยากจะปฏิบัติคนที่ปฏิบัติทำอย่าง น, น้อยมาเพราะอยอ่างหนึ่งก็หายากไม่ได้สนใจในภาพปฏิบัติแต่ประการใดคนเราเนี่ยบุญวาสนาสำคัญมากคนมีบุญวาสนาดี มีนิสัยดีมาออจาอดีตชาติมาในชาตินี้จะยากโนเงินทองกบของนอกตัวเรามาปฏิบัติธรรมเพราะจิตใจก็แจ่มใสจิตใจก็ดำหลิบคิดมีสติปัญญาเปิดขึ้นก็ใช้สมองคนโดนบันดาลจากหลักธรรมมีกุรมบัติขั้นตนไปประกอบอาชีพการงานเข้าเขาจะได้ร่ำรวยจะได้แก้ปัญหาชีวิตได้ในระหว่างทางและเกิดขึ้นเฉพาะหน้า มันก็เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองคนไม่ปฏิบัติตามเป็นพระพุทธเจ้าสอนว่าปานาจิาตาเวทมณีอย่าฆ้าสัตเลยทำให้อายุสั้นทำให้เกิดโรคภัยไค้เจ็บเบียดเบียนง่อยเปรี้ยเสียขาเพราะเราไปฆ่าสัตว์เข้ามาทำลายชีวิตของเขาทุกคนก็รู้แต่ไม่ก็ยังฆ่ากันอยู่เหตุไดเพราะไม่ปฏิบททัติธรรม ถ้าเรามีธรรมประจําจิตประจําใจมีสติดีแล้วมันก็จะเกิดเมตตาธรรมนั้นมื่อเกิดเมตตาธรรมแล้วเราจะไปฆ่าสัตว์ได้ยรืชีวิตเขากับชีวิตเราเหมือนกันมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะมีความสงสารสัตว์เมตตาโทอสัตว์ประสาททั้งหลายจะไปฆ่าเคขาจะไปเบียดเบียนชีวิตเขาก็คงทําไม่ได้ ถ้าคนที่รู้ธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็าสามารถจะเบียดเบียนชีวิตเขาได้เบียดเบียนทรัพย์เขาเบียดเบียนเจะเวียดีนะบัตรสีในสังคมมันก็เกิดขึ้นมันก็แก่ใช้ปัญหาไม่ได้โลกรายมันจึงจะเกิดขึ้นในสังคมที่เขาหือกันนั้นโรครายแล้วก็โรยยาเส็จติดมันจะเกิดขึ้นทุกที่ทุกทางแต่เราซึ่งในรัธรรมจะไปเสร็จติดทำไม จะไปล่วงประเวณีหน้านะบาปสีลที่เป็นโรคร้ายในช่องโคลนทาไมเพราะเรามีสติดีสัมปัญญะดีปฏิบัติธรรมะได้ไอจิต ใ, ใจก็เห่มาทํามันจะไม่ออกไปมีเรื่องราวมีอุปสรรคขัดข้องอยีนั่นอีกต่อไปเท่านี้ทําไม่อยากอ่าทำก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่อยากนะแต่ตามปฏิบัติธรรมที่จเจริญสติปัญญาสี่ได้นี้ กขอให้ท่านทั้งหลายสร้างใจดำเนิงนงานชีวิตถชีวิตนีต่อไปเป็นทางสายตรงเราสายเอกเพราะเรามีสติดีทั้งประชัญญะดีไม่ต้องแก่จริตไม่ต้องแก่จริต แ, รแต่ประการใดคนที่ทำธรรมาทิ่มโนโยิชิตมันก็ต้องแก่จริตต้องการสวยต้องการอะไรต้องการตรงไหนจริตชอบทางไหนก็เอาอย่างนั้นแต่โดยวิธีปฏิบัติธรรมโดยทางสยเอกนี้มาต้องใช้จริต ไม่ต้องไปแก้เลยเรามีสติควบคุมจิตได้มาใดก็มีศีลมีสัจมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอยู่แต่จำตนทำอะไรก็ได้ผลจิตก็เกิดเมตตาปรารถนาดีเรีย ก, กว่ามนุษย์สั้มพันธ์ทำอะไรก็ประสานงานที่ดีสร้างความดีโดยสามกิจธรรมพูดก็พูดโดยศักจากมีความจริงใจต่อกันไม่มีแหนงแทงใจไม่ลุ้งแวงต่อกันด้วย ทำอะไรก็โปรงไปโปรงมาทำด้วยชีวิตจิตใจทำด้วยความจริงใจรู้คําว่าคำจริงใจต่อเขาเขาก็าจริงใจต่อเราอย่างไม่มีการลุ้งแวงไม่ต้องมีการระแวงสงสัยเช่นกันไม่มีวิจิตร้าแต่ประการใดคนงานถึงจะเข้าถึงธรรมะถึงจะปฏิบัติธรรมะได้คนยังมีเลสเลสนายมีการถือตัวนิสัยไม่ดี จะมาสร้างความดีกับปฏิบัติถึงจะไม่ได้แล้วเพราะนีสายเลวนี่สายร้ายนีสายไม่ดีก็ไม่มีความเลื่อนสายในทางดีและก็ยอมไม่ยอมรับความดีที่มีอยู่แต่จะยอมรับว่าเนี่ยมีอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีก็พูดกันได้ใครก็พูดได้ไอเนี่ยทำดีอย่างนี้ทำชั่วอย่างนี้แต่วิธีปฏิบัติทาได้หรือไม่ ลงมือปฏิบัติทำได้หรือไม่คันตีความอดทนได้หรือไม่ตัดปริพเทกังวลได้ไหมตรงตกไหมไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเหี่มใ้ต่อตนเองและจิตไม่มั่นคงไม่เป็นเนื้อหนังของตนเองไม่เป็นตนของตนเองไม่มีอัตตาแล้วไหนอัตตามันจะเกิดขึ้นเพาตัวตนไม่มีแล้วไม่สามารถจะทาตนไปที่พึงของตนได้อัตตาตโนนาทได้ ไหนเลยลจะตนไปที่บุญขังตนซึ่งตนเองก็ไม่ได้ช่วยตนเองก็ไม่ได้สอนตัวเองก็ไม่ได้ก็ออกไปนอกลูกนอกทางไปตามมัคคมันคาที่เ ล, ลวละคนเราเนี่ยใช้ชีวิตผิดทางน่าทิฏายการปฏิบททัติธรรมเนี่ยต้องการจะใช้ชีวิตให้มันถูกทางต้องการให้ชีวิตมันแจม่มใสและล่าเพืินร่ำรวยสวยดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะน้าได้ บางคนก็ไม่เอาเลยนะที่เท่าที่สําเกิดได้ที่มาที่วัดจะมีพระมาจักวัดอื่นบอกให้เดินจงกรมจะชาเดินมันสวนสนามเขาบอกไว้เขาทําอย่างงานก็ไปทําที่ไว้ของคุณเพราะว่าเราทําอย่างนี้ไม่ได้ช้าปวดช้าจะเดชาสมเด็นงามโบราณฉันว่าไว้ต้องตามสติสิปปาว่ายังไม่เท่าตาเห็นติปตาเห็นก็ยังไม่เท่ามือคลํา สิบมือคลำก็ยังไม่เข้าจิตห ย, ยับยางต้องตั้งสติกรอนจะทําอะไรอย่าบังอาจอย่าทวดพลาดลงไปช้าผิดช้าจะได้พราดของเล่นนามใจเลี้ยวด่วนได้พรามสว่าดขาดพุชใจจะทําอะไรไม่ได้ดบได้ดีอะครับทำอะไรใจเลีว้วใจด่วนชวนจีหนีความดีสร้างแต่ความชั่วเอาตัวไม่หลอดไม่สามารถจะปลอดภัยไปไหนไม่สะดวกสบาย ไม่ต่อไทยชูจะทรัพย์สินไม่สามารถจะมีที่พึ่งทางใจจิตตัวไปได้ก็ออกมาในระบบระเบียบนี้ชัดเจนมากคนที่รักดีมีปัญญาหายากคนที่หาความสุขทางใจนี่หายากมันไปหาความวุ่นวายมาให้จิตใจตลอดเลยการดูไม่สุสกสร้างแต่ความทุกข์ความยากความลาบากตลอดเลยการต้องอดทนไม่ได้ไม่มีมทั้งสีช้ำ ไม่สามารถจะอดทนต่อการงานและหน้าที่ของตนได้เลยก็กลายเป็นคนหลังยาวหลังช้านทำอะไรก็ไม่ได้ผลช้านยาวก็ไม่รู้จะเห็นช้านหรือจยาวหรือจะเป็นยาวหรือจะช้านจะคิดกันแค่หัวบรรไดหรือจะคิดการกลถึงสหรัฐอเมริกาจะคิดหลอกลวงกองการทรั้งขานเราก็ไม่สามารถจะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นและจะทั้นจะไม่เห็นตัวตาน จะมีแต่ความประมาทาทั่งอยู่ตลอดรายการจะไม่ไดผลงานประจําชีวิตของท่านแต่ประการใดท่านทั้งหลายเอ๋ยดูทุกคนนิสัยเหมือนกันไหมคะนนิสัยเหมือนกันทุกองคไหมวัดฐานะเหมือนกันไหมท้องเดียวกันก็ไม่เหมือนกันพี่น้องก็ไม่เหมือนกันไม่ปรองดองกันก็จิตใจต่างกันมาต่างด้วยกรรมต่างฐานะต่างเหตุการณ์มาเกิดในท้องเดียวกันแล้วมีเหมือนกันทุกคนไม่ได้ บางคนก็ดีเหลือเกินเลียเ้ยงพี่เลี้ยงน้องบางคนก็ทำลายชาติสมบัติของพ่อแม่ไม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องแถมแยง่งสมบัติซึ่งกันเลยกันฟองลองถึงโลงศ า, งาลตลอดเลยกันไม่ใช่ผู้ปฏิบททัติธรรมผู้ที่มีธรรมะประจําใจจะเกิดเมตตาปราณีอริเอื้อเพื่อขาดเหลือ้ยยอยดูกันมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีมนุษย์ซ้พันธ์ในชีวิ ต, ตสังคมชีวิตเขาก็จะปรงไปตรงที่หมาย เพราะการเป้าหมายของชีวิตนี้นะ่ะจะคนดีมีปัญญาจะไปได้รุ่งโลดโชตนาการถ้าเราเปิดตีเดียวกันนักเรียนรุ่นเดียวกันนักเรียนในร้อยจอบลอมาด้กานบางคนเป็นที่หนึ่งนเอกบางคนก็แย่ชันแค่พันเอกพิเศษแล้วก็เปิดกระสีนผ่านมากมายหลายประการทําไมมีความรู้เรียนชันกานทำไมฐานนะไม่เหมือนกัน ก็มีบุญวัสนาไม่เหมือนการเวลาเนี่ยเป็นตับเวลาเป็นการตัดสินใจเวลาเท่าเทียมกันหมดในโลกแต่ใครหน้อยจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แม้แต่วินาทีเดียวให้เป็นประโยชน์กับชีวิตมันต่างกับตรงนั้นบางคนปล่อยให้เวลาหมดไปเปล่าหน้าที่ไดเวลาก็หมดไปชีวิตนี่ก็หมดไปตามมันอยู่ลาความติกสาอสึกส่อของร่างกาย ก็ท่ า, าเลแแต่ชะลาไปตามกันผลงานก็ไม่เกิดขึ้นกันในเขาเหล่านั้นการเจริญประธรมมาฐานต้องการตรงนี้ต้องการให้มีสติดียืนหนอห้าทางทาให้ได้สักคนนึ่งทำให้มันได้ยืนหนอลงไปจิบลายเทา้ากํ้หนดตั้งสติให้ได้ลายเท้าขึ้นมาตั้งสติให้ได้นี่เราเรียกว่าตาจากปัญจากากรร ม, มาฐานที่พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนว่ายืนตั้งสติ ยืนก็มีสติยืนเดินก็มีสติเดินจงกม้มก็มีสติกำหนดให้ชาติที่สุดชาติจะชาได้ก็ตั้งสติตลอดเดินแล้วก็นังน่งนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ยาวๆตั้งสติไว้ให้มันได้ตามลมหายใจตามอารมณ์ของเหล่านี้เราจะได้มีความรู้จริงรู้ึ้งตื่นลึกหนาะบางขึ้นมาแล้วก็นอน นั่งแล้วก็นอนกําหนดพองหนอยุบหนอนให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ให้กําหนดได้จังหวะอย่าให้มันเสียลมไป เ, มเปล่าไม่เกิดประโยชน์ผลต่อผลกับประการใดไม่เดือดเคยตั้งสติเลยแม้แต่น้อยไหนเลยแล้วจะมีธรรมะประจําจิตประจําใจธรรมะคืออารมณ์ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือเหตุสู่ภาวะแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต เดินทางสายการทางเดินเดินทางเดินขอ้ชีวิตถูกต้องแล้วชีวิตเดินมีความถูกต้องทํางไงเดินถูกต้องก็เหตุได้ถ้าบางคนเนี่ยเดินไม่ถูกต้องเลยชีวิตนี้ยังแกล้งแค่หาความดีไม่ได้คนที่จะดีได้เนี่ยต้องช่วยพอ่อช่วยแม่ได้ปู่ย่าตายายช่วยสังคมได้แล้วก็มีแสดงออกถึงอัจฉรยะสายมีน้ําใจอารีอกอบอบ้อมอารีซึ่งกันและกัน เพื่อกูนอดหนุนซึ่งกันแลการเป็นต้นอันนี้การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าเราขาดธรรมะมาได้ขาดสติมาได้ความเป็นมนุษย์ก็หมดไปการชุบัติมนุษย์นี้ก็จะไม่มีอยู่ในตัวตนของบุคคลนั้นกลายไปมนุษย์แปรตมนุษย์ในในในเรนจิโกมนุษย์ในเดรฉาโนมันก็ออกมาร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์กาแลการใดเพราะขาดสติขาด สำมัจฉัญญาขาดธรรมะคือขาดปัญญาไม่เป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วเลยก็มีเจตมิรณะต่อันเลยจิตใจก็เดินทางสายผิดใช้สติปัญญาไม่ได้เดินทางไปหาหายานะไปหาความเวลวาลในสั้โคมของเขาต่อไปดูประเภทคนประเภทนั่นจะหาความเจริญไม่ได้ไม่เดินในทางเจริญรุ่งเรืองเดินไปทางเสียหาย และก็เข้าใจว่าตัวนั้นถูกต้องเสมอไปแต่สุดท้ยเป็นถูกใจมันไม่ถูกในอา่าถูกจิตใจที่ถูกต้องต้องธรรมะในความถูกต้องเลยเป็นการอารมณ์ถูกใจทําอะไรก็ไมาได้ผลเสียหายมากมายแต่กองข อ, ขอรากไว้การเดินตจงกรมการนั่งทำสติให้ดีอย่าไปคุยกันแต่ตองการนี้อย่าพูดตาปากไม่พูดคิดไม่คิดถึงจะมีสมาธิภาวนา อตาก็ยังคุยบุ้ยตายบุ้ยมาและคิดก็ยังคิดฟุ้งฉาดมาประการฆากรกำหนดคิตข่า ด, ดาธรรมะคิดประจําคิดประจําใจแล้วเอาดีไม่ได้ฉันจะเป็นสมาธิไม่ได้เนี่ยมาตอบเราว่ามีสมาธิเราไม่เชื่อคนยังพูดมายังคุยกันยังนินทากันอ้าวความหล้างโคนน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตัวดีคนเดียวคนประเภทนี้ทําปฏิบัติทําไม่ขึ้นเป็นกฎแห่งกรรม สามารถจะปฏิบัติทำให้ได้ผลได้เลยก็ใจใจแส่ไปทางทั่วขาดสติปัญญาขาดความเชื่อความเลื่อนใสขาดมั่นใจต่อตัวเองไหนเลยลจะเจริญกรรมฐานได้เจริญไม่ได้แล้วบางคนคิดไม่ดีกับพ่อแม่มานั่งกรรมฐานไม่ได้ผลไม่ได้นสนงแต่ประการใดคิดไม่ดีว่าแม่ไม่ดีว่าพ่อไม่ดีคิดเท่านี้ก็เจงเจงปีไม่ลงแล้วคนนั่นดีไม่ได้เนี่ย ขอจเจริญพร อ, อย่างงามญาติโยมปลอดด้วยใงใจคิดข้อนี้ทำอะไรก็เอาธรรมะมาใส่จิตตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าสามารถจะแก้ปัญหาได้อาการปฏิบัติธรรมต้องการธรรมะไปจาจิตไอ้คนมีจิตมีธรรมะไปจาําใจไอ้คนโง่เนี่ยมันชอบเอาจิตไว้ที่ปากไอ้คนฉลาดชอบเอาสติไว้ที่ใจ มันก็จะมีสติปัญญาของมันเองเฉลียวฉลาดตามหน้าที่ตามวัดตามตอนเหมาะสมตามหน้าที่และกายงานชีวิตจะเป็นแก่นสารทําอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปมีความหมายอย่างนั้นขอขอฝากผู้ปฏิบัติทำไปด้วยบางคนผู้ปฏิบัติมาสามวันลาพยาเดินโยกรกลยังไม่ได้เลยจังหวะก็ไม่ถูกต้องสติก็ไม่ดีธรรมะจะมีอยู่ในใจท่านได้อย่างไร ธรรมะมันก็หมดธรรมะแปลว่าธรรมชาติความเป็นอยู่ของชีวิตนี่เองธรรมะมันมันเป็นการเคลื่อนย้ายแ ล, ล้วือมันเป็นที่เกิดดับและวปภาพความเป็นอยู่แล้วเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเสื่อมธรรมดาแต่เรามีสติอยู่ตลอดเวอาการและความเสื่อมมันจะน้อยความเจริญก็จะมาให้แก่ตัวเองรุ่งเรืองวัฒนาสถารพอิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมให้ใช่น้อย ยืนหนอก้าครั้งโปรดปูนาทํากระให้ได้ถ้าทำได้เลยยังอื่นได้หมดจะเดินตรงกลมก็ครองแคล้วนะชาเผื่อไวเสียเพื่อดับทําให้ชาไวทําไมเพื่อไวเพราะเมีสติอยู่ปัจจิกได้จะวิ่งไปทางไหนสติมันจะบอกก้าวทางไหนโดดทางไหนเดี๋ยวจะล้มทางไหนควรจะพยุงตัวอย่างไรสติมันจะบอกไปทุกระยะ ถ้าคนขาดธรรมะขาดปฏิบัติธรรมเนี่จะวิ่งยังไงเดี๋ยวก็ลมลุกหุกขาดเดี๋ยวก็ลมหัวฟาดโผช่วงอยู่ในช่วงกะตายนี่แหละคนขาดสติขาดธรรมะเป็นอย่างนะั้นคนที่มีธรรมะดีและจะทำให้สุขภาพกายดีสุขภาพจิต ด, ดีในมาสุขภาพดีแล้วจิตดีก็มีสุขภาพดีในมาจิตดีทางสติทั้งปัญญาปฏิบัติได้ ไม่จําต้องกล่าวว่าสุขภาพอนามัยดีการงานก็ดีตามจะไปทํางานทําการอะไรดีหมดในเมื่อการงานดีแล้วก็การเงินก็ตามมาการเงินก็ได้เงินได้ทองงานเดินเงินตามในเมื่อการเงินดีและการอะไรดีการสัองคมก็ดีขึ้นมีเงินมีทองมีหน้ามีตาเข้าช่องคมได้อย่างดีก็มีจิตดีถ้าจิตชัดด้ชดนดีแล้วของเงินจะหลายนองทองไหลามา จะทำอะไรก็เป็นมากเป็นขนจะทำอะไรก็เริ่มต้นด้วยการสร้างสติทั้งปยยัญญาจะทำอะไรก็รีเริ่มดำเนินงานท่านทีอย่ารอรีจะประทานได้จะมีแต่ความขยันหมั่นเพียรจะไม่มีเกียรติ้านต่อหน้าที่จะมีการรับผิดชอบตัวเองตลอดเลยการตลอดต้นจนปลายจะยอมรับความเสียหายที่เราทำขึ้นนี่แหละก็เรียวกว่าปฏิสังขรณ ร่าการช้งขาเรียบร้อยแล้วข้าวของมันจะเสียหายเพระปฏิสังข์ขอขึ้นมานี่แหละการงานดีหมดในเมื่อติดดีเชือย่างเดียวสติดีธรรมะดีและการงานก็ดีขึ้นจะไปเข้างานบริษัทจะรับราชการการงานในหน้าที่ก็จะดีขึ้นลุ่งเรือโลดโัธนาการในเมื่อการงานดีการเงินก็ตามมาการเงินก็ดีขึ้นนเมื่อการเงินดีแล้วก็ตามสังคมก็ดีขึ้น ไปไหนมีแต่ทรัพย์สะดวกสบายจริงๆไปไหนก็มีแต่ชื่อเสียงคนไว้ใจไปไหนก็มีแต่ความรักคนก็ออนรักถับสู้ดูพองงามไปไหนก็มีคนรู้จักมากถีดช่างความดีในสังคมก็มีคนยอมรับเครดิตดีในสังคมด้วยนี่แหละถ้าผิตถ้าเลวไล่ต่อไปแล้วท่านจะไม่มีใครรับรองท่านสังคมก็ไม่ยอมรับเขนา้นหมู่ไหนหมู่นั้นก็สายหน้าสายตา ไล่คุณศรสาบคุณซ้อมบาดขาเด็ดผลไม่มีกุศออยู่ในชีวิตของเขาออกมาอย่างนี้ถ้าปฏิบัติทำได้จริงดังทีง่กล่าวตอดทนต้องมีสัจจะเดินหนึ่งชั่วโมงต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่เจ้าูขี่เียดเดินกลับไปบ้านแล้วมาต้องเดินตรงกลมเลยนั่งอย่างเดียวท่านทํำอีกร้อยปีท่านก็ไม่เด็พนต้องพร้อมเี๋ยเอาเกียบด ท, ทั้งสี่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียด์เยียดขาตั้งสติ กำหนดทุกอริยบดถึงจะรู้วงจรของชีวิตโคจรของชีวิตถูกต้องแล้วเราจะทําอะไรก็ได้ไม่พลาดไม่ผิดอาจจะได้มีมากผามันคาหุ้นทางเดินไปในอนาคตจะ่สัมภาระาพบภายบ้างหน้าตุกติต่อไปจะทําอะไรก็รู้ตัวตายมันจะาตาจรอนไหนอย่างไรอย่าประมาทขาเหตุผลว่าเราตั้งต้นในชีวิตนี้เราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เกิดการตั้งสิีนมีใครรอดพ้นจากอันนี้ไปได้ของจริงห้าประการทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บอราต้องตายต้องพลาดพลาจากของเป็นทิรักษ์เป็นทิชชอบกลายเป็นกรรมของตนการยานางวาตาอาบบัังวากรรมอยู่ที่ตัวเองกรรมมโยนิคารยานางวาปาปัตังวาเรามีกรรมมาด้วยกันทุกคน แล่กรรมเนี่ยกรรมมาพันก็เกิดขึ้นเจ้าพ่อแม่ที่สามเวรเจ้ากรรมให้ลูกลูกก็เป็นกรรมมาพันเป็นง่อยเปียกเสื้อหาเป็นคิดถูกกูดถังแล้วก็เป็นโรคร้ายเกิดขึ้นเพราะกรรมมพันนั่นเองจากตารกับทำเราพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดเจนใครจะพลาดจากข้อความจริงห้าประการนี้ไปไม่ได้หรืแต่เราม่สติดีก็ไม่บังอาจไม่จ้วงจับต่อท่านผู้ให แต่ประธานได้จะทำงานได้ผลในสมค่ามศาสนาอย่างที่ชี้แจงสแสดงมาโอวาทวันนี้ท่านลาไปก็ขอโหทิตยกรรมอย่าเรียกพระทำวัดแปลว่าขอกายกรรมวชีกรรมต่อกันนั่นเองเราก็มีการโหติตกรรมกันอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้มันต่อเนื่องไปเดี๋ยวก็กลายเป็นคนเป็นกฎแห่งกรรมกรรมไม่สิ้นชีวิตนี่จะหมดหวัง แต่ยังมีกรรมนี้ยังไม่ชินมันยังมาลามความดูไอ้ชีวิตจกสินหวังจะหมดเวนหมดกรรมต่อชีวิตมีกรรมดีนะจิตใจก็ไม่ไม่ชินหวังชีวิตนี้ยังมีความหวังที่เราตั้งหน้าตั้งตาที่จะประกอบความดีมีปัญญาต่อไปชีวิตคงจะไม่ชินหวังชีวิตนี้คงไม่แรงแคนชีวิตนี้จะมีแบบแผ น, ดแนได้อย่างดีต่อไป ก็มีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกคนวันนี้จะ ม, มาไปเฝ้าสมเด็จพระเทพแล้วเนที่จะมาอยู่ที่นี่พระเทพรับสารบอกว่าปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ได้ผลแลสมค่าศาสน า, าบอกว่าพ่อคะที่ท่านนี่ราชานิเคราะห์เด็กต้องเจ็ดแปดร้อยวันนี้เราก็เอาปัจจัยไปถวายท่านราชานิเคราะห์เด็กแล้วก็ท้ายวันพระราศจสมครบจะจัดประสูสดมาวันก่อนโน้น มันมีความหมายอย่างนั้นแล้วก็เข้ามูนิชิสมเด็จย่าสมเด็จย่าพิจิตรหนึ่งแสนบาทถวายช่็จประเทศแสนบาทราชานุเคราะห์เลชันกอถวายข้าของมาแล้วประานกอบเทนาจา้ปราวใช้บอกว่ามร้องขอฝากุูระบทไว้วันนี้มาเข้าวความไปมากมาชลารุจิจารณ์มีแหละความดีมันบอกว่าเราราชานุเคราะห์ช่วยเขาเรียนหนังสือ สุแหงเดชเป็นคนดีแล้วเขาสร้างความดีเกิดขึ้นโดยปฏิบัติธรรมบวชเนนทุกปีแล้วขอมาฝากวัดอภวันทุกปีด้วยก็ขอให้หลวงพ่ออภวันได้รับราชาในครของท่านด้วยเชื่อช่วยกันมาพิกายก็ถวายทีนี้เราก็ถวายท่านอีกแล้วก็ถวายมูลยีชีของธํามเด็ชญาอีกหนึ่งแสนบาทเพื่อเอาดอกผลอันนั้นไปช่วยตยวารวจทหารตะเวนชายแดน ช่วยคนยากและ ย, ยากจนในประเทศไทยเดี๋ยวว่าตามจนาพิเศษเก้าธันวาวันนี้อานังสือปไปถวายในด้วยที่เราสวดมนวันที่เก้าตลอดมาเป็นปีคิดเก้าครั้งก็ได้จะจูกปกระจัยเชื้ทานก็ถวายเป็นคุณชยัยศาสนาของประจาอยู่หัวระบาตบทประจายอยู่หัวเราเพียงจะตั้งใจนะทําอะไรทำไํำด้วยตั้งใจท่านก็อนเอากระดูกประสาทโดยนะ้าประทายใจในหลวง พามาถวายเราร้อยตาสุตฉอบต่างใจอย่างนั้นนะนี่แหละท่านทั้งหลายบุญงอกได้ไม่มีหอดหูหรอกท่านอย่าทําใจดหดดูอย่าทําใจเหี่ยวแห้งอย่าให้ท่านแรงน้ําใจไรอัยารัยเลยมีอัจฉริยะใมีน้ำใจกันบ้างคนที่ปฏิบัติธรรมะได้จะมีพร้อมเดี๋ยวอัจฉริยมีน้ําใจอันดีงามโอบอ้อมอาลีวัจีไพรดะชงเท่า ท, ทุกคนหวางตนให้เป็นกลาง ทำอะไรก็มีเมตตาวันนี้สนันมากะจวังล้อมมาเป็นกลมหมดบอกว่าได้สาขาวแล้วมีอาจารย์ตุลาเป็นอิสลามเป็นอิสลามบอกว่าตระกูลฉันเนี่ยเป็นอิสลามตลอดมานะบัดนี้ดิฉันปฏิบัติธรรมแล้วตามที่หลวงพ่อสอนบัดนี้ก็ใช้เอาของพุทธไปใช้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ลูกดาวดีหมดทุกคนเลยลูกดาวดีก็มุนอิสลาม อิสลามก็ตั้งใจปฏิบัติก็ขอกรเรียนพรญาติโยมทั้งหลายเมื่อวันนี้มีทั้งคริสต์ท่านอิสลามที่สำนักกระทรวง ต, ตลอดเายการบอกว่าปฏิบัติธรรมของน้องพ่อหมดแล้วแล้วก็เขาทูลเขอสารเคยมารับทานข้าวที่นี่ขอภาวนาให้เย็นและสองกระสอบเอาอย่างนี้นะพรเราชิน ม, มาทางอีสานก็จะขอภาวนาเขาสารอาตมาพร้อมโมทนาถาที่กั น, น, า ท, านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจะจิตจะเป็นทาน ติดจะเป็นเมตตาติดจะเป็นศีลจิดจะเป็นภาวนาทำอะไรก็ให้ภาวนาให้มันขุดขึ้มนมาในดวงใจใช้สา อ, อาดเปิดทุการจะมีประโยชน์มากเราวันนี้ไปเฝ้าก็มหมายจะเป็นเฝ้าเปล่าเมื่อพี่กายรถวายพระเทศหนึ่งแสนวันนี้ถวายอีกถวายทุนเด็กยากามูญันิชิคนในศูนย์ก็อเอาดอกเบีย้ยเนี่ยมาช่วยคนยากคนจนช่วยคนนอนด้อยตงเน่ยช่วยเช า, าวชาวเผาเผาแมว ตลอดรายการต้ม่มเยประเทศปาโมทนาบอลงพ่อสุตามาบำเพ็งกุศลทุกคนอนุโมทนาสาธุการเราก็ดีใจมีโอกาสให้ทานการกุศลเรียกว่าน้ําใจเป็นทานยิ่งให้ยิงดายิงห่วงอดหมดไม่มาเราไม่ห่วงกันเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆรวยจริงๆรวยน้ําใจท่านอย่าทําใจหดหู่อย่าทําใจหิวแห้งอย่าให้แรงน้ําใจ แต่ประการได้เลยทําใจให้เป็นมหาปุชชนข้างทว้ทีชอบประกอบตามไว้ที่ควรจะสมส่วนควรกันณ์นนะักแบบนี้นี่แหละท่านเข้าถึงธรรมะท่านจะซึ้งใจเองท่านจะซึ้งใจและท่านจะฝ่ายดีท่านจะมีสัจจะจะพูดจริงทำจริงจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดซอเสียจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดเพ้อเจอ้อเลวเหม็เปเรี้ยวเลี่ยวลดท้อเที่ยวแต่ประการใดจะพูดแต่ความจริงจั เน่ขาถึงซ ну no uh ึ่งใจซึ่งซ ki> ึ่งใจจริงๆได้ดนแต่เมตตาที hmm ่จะไม่กลับไปสู่ทางช่วยต่อไปแล้วนี่ความจริงแล้ซึ่งใจเกิดสัจจะเกิดความจริงในใจทุกคนเกิดความจริงและเกิดอะไรเกิดแสดงผลงานออกมาจริงใจรู้ใจเขารู้ใจเราเราก็ต้องรู้ใจเขาเขาต้องรู้ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา มันก็จะเกิดผลรีเกิดขึ้นผลไรจะไม่มีเดินคนนั้นจะเต็มไปด้วยกตัมรูกตวเวทิตาธรรมสรุปให้ฟังทา่านเข้าถึง 2, 3, 3, 5, 6, 5. สองขึ้นใจสามฝ่ายดีสมีฉัตรจะห้ากตัมรูกัตวเวทิตาธรรมเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนขอให้ท่านทําให้ถึงพันนะไม่ใช่มาพองหนอยกหนอเดินตรงกรมแล้วก็กลับไป คนด่าบ้านถามว่าไปวัดไหนมาไปวัดนอนหนอแหน่เลยก็โยมก็แน่แหน่นอนหนอไม่เกิดประโยชน์เลยนะถากํานกหนดโกรดกาหนดเสียใจดีใจก็กําหนดที่ลิ้นปหีหายใจยาวๆเดี๋ยวก็หายไปเปลี่ยนอารมณ์นะเท่านี้ก็ยังทําไม่ได้แล้วจะไปทําอะไรอีกอฝอาญาโยมกรับไปย่างาใจทำนะเสียใจก็อย่าใมันข้างอารมณ์ข้างไปะชากําหนดให้ได้ดนี้ปัจจุบัน ้องอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนสมาธิผูกหลักนี้นมาไปไหนปาดอย่าไวยใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลือ้อฟื้นเรื่องคนอื่นอย่ามาคิดกิด ท, ที่ชอบทําให้มันเสร็จอนาคตอย่าจับมัน่นค้งมันตายยวผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตเอาชีวิตนี่เอามาตั้งไปเดิมพานเดินทางให้มันถูกแนวปฏิบัติของธรรมะคนไหนมีธรรมะคนนั้นมีศักดิ์ศรี มีเครดิตมีคุณสมบัติมีทรัพย์อั่งคั่งร่ำระการมีชื่อเสียงเลียงนามมีคนไหวเนื้อเชื่อใจาย ไ, ไหนมีต่คนรักคนนักถือจ้างฐานะดีมีปัญญาไปวันนี้เนพรยธรรมแต่ชวังสาราดุจิตไดไมีท่านทั้งหลายผู้ใหญ่มีคนหนึ่งสี่แปดมานั่งคุยบอกน้องพอ่อผมปฏิบัติแนะล้วผมรู้จรงอย่างนี้ ผมก็ได้มาอย่างนี้เลื่อนทูตวดมาได้จะชี้แปดแล้วต่อไปเห็นจะต้องเสดี้เ้าแล้วเป็นรองอาทิบดีแล้วนี่แหละก็ได้ผลอย่างนี้นะที่พูดเนี่ยเรื่องจริงที่ผ่านมาประสบประการกับปัญหาเหล่านี้ไม่จะมานั่งหลับตาฉันได้ยามที่หกได้นอนได้นี่และจิตใจยังโกโปรกรามโมกติดตลอดเลยตายไหนเลยจะจะได้ผลถ้าผู้ได้ปฏิบัติทำได้อันดับหนึ่งเมตตาขยันมันเพียน ไม่มีขี้เกียจไม่มีเกียจช้านต่อหน้าที่การงานจะขยันตลอดเลการจะไม่ทิ้งงานและหน้าที่จะรับผิดชอบตลอดชีวิตชีวิตนี้เป็นเดิมพันชีวิตนี้เป็นธรรมะชีวิตนี้เป็นธรรมชาติจะก่อการเกิดให้ดีเราให้ของดีเข้าไปเราก็ได้ของดีมาเราให้ของชั่วเข้าไปเราก็ได้ของทั่วคืนมาท่านคิดเอาเองว่าต้องการจะให้ใครหรือไม่ต้องการให้ใคร ด่าจิตใจดําเอามาถือเชื่อวโหดทาลุณ ด, ด่าดุร้ายฆ่าตัดตัวเป็นจำตายเลยโปรดมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เถอะเดี๋ยวท่านจะง่อยเปียดเสียขาขาหักคอหักเนะขยคอบาดไห้ฟ้าผ่าเนะ่ยขาสูรีบาดฟาดลงมาเลยทันทีนี่แกได้แก่ตัวเราแล้วเรากลัวแล้วเราจะไม่สร้างเวรตามกระไทต่อไปใครจะสร้างเวรกรรมกับเราขอให้กลับไปหาเขาเองเราจะไม่ขอสร้างเวรสร้างกรรมต่อใครอีก มีจะแผ่เมตตาให้เขามีความสุขความเจริญโดยชุ่วนากันเราจะไม่ต้องการให้เขามีทุกข์เลยเราก็มีทุกข์ด้วยกันทุกคนเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแครด้วยกันจะเป็นเพื่อนเจ็บจะต้องเป็นเพื่อนตายด้วยกันอย่างมีอะไรกันเลยมีอะไรก็แบ่งกันทินแบ่งกัใช่นั่นคือหลักธรรมถ้าใครปฏิบัติทำได้จะมีแนวร่วมแนวคิดอย่างนี้ฉะนั้นถ้าปฏิบัติทำไม่ได้มันจะมีทิฏฐิมานะ บาโคนนนว่าคนนี้หนิงชาคนนั้นหนิงชาคนนี้คนประเภทนี้ไม่ใช่คนธรรมะเป็นคนลร้ชาละเกิดมาเสียชาติเกิดไม่กระเสรินฐเลยอขอฝากไว้ทุกท่านบัดต้องการของดีปฏิบัติเอาดีไว้ถ้าท่านดีมีดีอยู่ในตัวเองไปไหนดีหมดถ้าท่านตีมีชั่วอยู่ในใจไปไหนชั่วหมดทั้งครอบครัวทั้งลูกก้าวเอาดีไม่ได้ด้วยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้โดยทุ่นนาการัร นี่แล้วสมเด็จพระเทศทจึงจะปากเนนมาราชานุเคราะห์ทั้งหมดทั้งพวกเด็จหญิงเด็กชายทั่วราชนจาจักรอยู่คนละจังหวัดชายแดนทั้งหมดแล้วก็ให้จุลาบ้านที่จะฝึกผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็จะบทเนนบทเนนให้สเทพแล้วก็มาอยู่ที่นี่ราชานุเคราะห์แล้วก็ชมาเนรเก่าก็เป็นผู้น้านําถวายเกลือขอลาบรรปชาเป็นชมาเน สมเด็จพระเทพกใ็ให้อววาดให้อววาดได้ดีมากอววาดบอกว่าพึงตัวเองนะคุณหนูเราซึ่งใจสมเด็จพระเทพข้อนึงว่าสมเด็จท่านบอกว่าเนียเธอนะี่ยนะเหมือนลูกหลานเรานะเอาวุธสร้างความดีนะเนี่ยคานี้เป็นคําซึ่งใจมากก็ดูดว่าลูกหลานพวงเราเราก็ช่วยเจ้าตลอดไปขอให้เจ้าตั้งใจเรียนหนังสือ ตามความดีว่าจะยากดีมีจนไม่เป็นไรเหมือนลูกหลานของเราทํานี้ซึ่งอัตมามากขอเขอจือนพรายโยมว่าท่านพูดอย่างนี้บอกว่าเป็นลูกหลานของท่านนะจะเป็นลูกเราเราชายตาสีตาสาที่เขตแดนชายแดนทั้งหมดก็ตามท่านกล่าวคานี้แล้วกว็เด็กเขาก็น้าตาล่วงเลยนะนี่แนะไปลูกหลานของประเทศนะประเทศจะอุปทานและอุปช้ำต่อไป พอมีความหมายดังกล่าวแล้วขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติทั้งป่ายบรญชีจักเรียนหัดขอให้ตั้งใจทําอะไรทํามีความตั้งใจทําด้วยความขลุกทําด้วยใจสงบและทําด้วยความถูกต้องเหตุการณ์จะใช้อะไรก็ใช้ปัญญาใช้สติสัมปชัญญาก่อนค่อยเดินในงานนับรองไม่เสียหายแต่ประทานใดก็ขออํำนาจความดีอันนี้ อำ น, นาจคุณบัณฑิตสนาตายโดนบาัดาลให้ทุก่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนา้าถูกขาพระปฏนนิทาณนาฏารทุบบัรเนเกจิมิประตามได้ชมความมุ่งมาจปรารถนาด้วยกันทุกลุกทุกนามณโอกาสบัดนี้เถิน